สุดท้ายพอครูก็จะมาพบกับพวกเราท่านก็ไม่อยากบอกคือจริงๆท่านใครบอกว่าท่านอายุเนี่ยสี่สิห้าสบกอะไรท่านบอกคจริงพูดอย่างเกรงใจนะจะพูดน้อยกว่านี้พวกเราก็จะไม่เชื่อเนี่ยครั้นี้พอดีท่านไปตรวจหัวใจเราวัดหัวใจเนี่ยหมอหัวใจก็บอกว่าโอ้โหหลวงปูเขาเรียกลวงปูเือเรียกลวงพ่อก็ไม่รู้เก็เบอกเหมือนกับหลวงปูเนี่ย หัวใจนี่อายุสิบแปดตอนนั้นอย่างนั้นเนี่ยอายุเหมือนคนสิบปดนะคราวนี้ถ้ามีหมอรับรองแนละ้วท่านก็นเลยบอกว่าตอนนี้ถามใครถามท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยพอดีไปที่วังน้ําเขียวมีเด็กนายเต้ยนายเต้ยเขาอายุสิบแปดพันท่านก็เลยบอกว่าเออนเต้ยกับเราเนี่ยอายุปีเดียวกันนะเพราะนเต้ยเขาอายุสิบแปดแต่ตอนนี้พวกครูก็อายุสิบแปดเพล่ะอย่างนัอย่างไางไพวกเราก็จะต้อง ไปกันให้พระครไูได้ตลอดนะพราะพครูเพิ่งอายุสิบปดท่านนั่นเองนะก็พระครูก็ตอนนี้ก็มาพร้อมแล้วนะโอกาสนี้ก็ขอนให้บนพระครูให้สติปัญญากับเราเลยครับ้วยครับอ้าวก็คนอายุสิบแปดมาแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่พูดเล่นแต่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานยืนยันนะเป็นเรื่องที่มีหลักฐานยืนยันนะหมออาจจะพูดเบอ้อเบ้อขึ้นไปหน่อยก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะถึงอย่ายงไรก็ตามหมออาจจะพูดไปเบ้อเบ้อไปนิดหน่อยว่ามัน ไม่รู้สิอาจาจะมีจิตใจอย่างนั้นบ้างหรือไม่เอมเบอร์หรอกเขาบอกอย่างนั้นจริงๆแต่อาตมาก็ไม่รู้นะแต่อาตมาก็ถือเสว่าอาตมาเวมเบอร์เนาะมีอย่างที่ไหนคนอายุ80แล้วมันเหมือนกัอายุ18แต่เขาดูจากขัการตรวจหัวใจจริงๆส่วนใช้เครื่องมือแล้วก็ดูภาวะตามที่เขามีภูมิปัญญาประมาณประมาณจากที่เราเคยพบประสบการณ์มาต่างๆนานา หมอที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ของโรงพยาบาลกระจกกระจกนะโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยขณะนี้อาตมาคอไปไม่ออกชื่อเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาอาศัยแฟงโฆษณาให้แต่ที่นี้โฆษณาก็ได้เพราะว่าเขาเขามีประโยชน์แกอ่อาตมาช่วยอาตมาอยู่เหมือนกันคือโรงพยาบาลบำ ร, รุงด้า โรนะงพยาบาลบำรงราชที่กรุงเทพนะซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเลนะที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้โอโหเข้าไปแล้วลูกค้าคนไข้มากเหลือเกินนะมากซึ่งอาตมาก็ไปโรงพยาบาลอื่นๆมาก็ไปบ้างนะไปบ้างนะ แต่มันต่างกันกันบโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไงทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งมากเลยโอ้โ oh, หใหญ่กว้าโอ้โ oh. หใหญ่แล้วก็มากเนาะคนก็มากกันจริงๆนั่นทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเต็มไปหมดนเนา อ, อก็ไม่ได้ไปเฮือตามเขาเราพอดีเรามีหมอที่ทํางานอยู่ที่นั่น อ, อ, อ, อก็อำนวยความสะดวกกันามาแล้วก็อยากให้แอะไปใช้บริการที่นั่นอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งแม่ อหมอเองต้องแย่งขอนะครับขออย่าจ่ายตังมาผมขอจ่ายเองหมอนะหมอที่บริการยาจ่ายตังมาผมขอจ่ายเองผมขอจ่ายเพราะไปที่ไรก็มียาโยมเอาสตังไปให้ก่อนไม่ให้ก่อนเมืก่อนหมอเขาบอกโอ้ผมจะจ่ายมั่งผมไม่ได้จ่ายสักทีตั้งแต่แรกมาแล้วแล้วผมต้องต้องต้อ ง, งขออย่างนี้เป็นต้น ขอไพ่เล่าละมือมันโกโก้เท่ๆน้อแต่แท้จริงมันเป็นเรื่องจริงเราสู่บังตัวนั้นเองไม่ใช่ว่ามันเท่เธออะไรหรอกลองฟังนี่นิดหน่อยนะเอาประกอบการเล่าออไปกันเล็กน้อยนะเทตมาทําสิ่งเหล่านี้อยู่ตอนนี้นี่มีการช่วยกันว่าจะพิสูจนว่าอัตมานี่นะเขาเชื่อพวกเรานีนเขาเชื่อว่าอัตมาเนี่ยจิตใจเนี่ย ไม่มีปัญหาจิตใจไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในภาวะของจิตใจไม่มีปัญหาแปดอเนี่ยหนึ่งอิทธิบาทแน่นอนอิทธิบาทเมื่อมีเมื่อจิตใจไม่มีปัญหาแล้วอิทธิบาทต้องเป็นอิทธิเป็นอิทธิสมาธิประธานะสังขารแน่นอ น, นจิตของอาตมาต้องเป็นอิทธิประธานะสังขาร คือเป็นจิตทีเป็นจิต ท, ที่มีฉันทะอิทธิประธานสังขารมีปริยะอิทธิเออตมาศัพ์คําหรือเปล่าไม่รู้นะจะเป็นอิทธิชันทะประธานสังขารหรือว่าหรือใครช่วยเปิดดูหนอ่อยเถอะดูตําราอิทธิประธานะหรือว่าอิทธิ มีคําว่าสมาธิด้วยนะมีคําว่าสมาธิด้วยอิทธิมีคําว่าสมาธิด้วยเอ๊ชักจําเพราะเจนชนะอันนี้ไม่ได้หลุดหลุดหน่อยแม่ไม่ได้เดี๋ยวใครที่สูดแดนทมหรือใครกดดูสิอิทธิประธานนะมีสมาธิด้วยแล้วมันมีคําเต็มว่างไงนี่แหละ คืสรุปแลรกก็คือมีสี่อิทธิบาทเนีมันมีสี่คือมีฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ฤทธิ์ของฉันทะฤทธิ์ของฤทธิ์นี่คือความเก่งความความความเกินสามัญมีฤทธิ์มีแรงมีพลังมีความสามารถมีความเป็นปฏิหารอิทธิเนี่ยเป็นปฏิหารเกินสามัญมนุษย์จะเป็น เพราะฉะนั้นจะมีชันทะก็ชันทะเกินมนุษย์และเป็นสมาธิประธานะสังขารด้วยเป็นการเพียนทำงานสังขารนี่คือการงานนะสังขารนี่คือการงานนะชันทะสมาธิประธานสะังขารนะชันทะสมาธิปธานะสังขาร และก็มีวิริยะสมาธิประธานะสังขารและก็มีกิตตะสมาธิประธานะสังขารมีปิมังสาสมาธิประธานะสังขารทั้งสี่นี้เป็นอิทธิลงท้ายตรงท้ายของสูตรนี้จะใช้คําว่าอิทธิตรงดูสิอิทธิเรียกว่าอิทธิอะไรทั้งสี่เนี่ยอิทธิลงท้ายของสูตรนี้อะลงท้ายเลยใช้คําว่าอิทธิขึ้นตนอ่า อิทธิอะไรอิทธิสนี่แหละมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานี่แหละทั้งสี่นี่เป็นอิทธิทั้งสี่แล้วอิทธิและสี่นี้จะเป็นสมาธิด้วยฉันทะก็เป็นสมาธิที่ภาคเพียนประธานนับแปล ว, ว่าความภาคเพียนชันทิตที่บาต์เรียกว่าฉันทิตทีบาตวิริยิตทิบาตจิตติที่บาตและวิมังสิทธทิบาต คืออิทธิบาททั้งฉันทะอิทธิบาททั้งเวริยะอิทธิบาททั้งจิตตอิทธิบาตรทั้งวิมังสานี่แหละนี่คือพยัญชนะสรุปก็คือมีริศอิทธิคือริศในภาษาสาษษษันสกฤตอันเดียวกันมีริศในฉันทะมีริศในวิริยะมีริศในจิตตามีริศในวิมังสาเก่งปฏิหารพิเศษนั่นแหละนะแล้ว จะปรุงแต่งสังขารอยู่ก็มีความเพียรในการปรุงแต่งนะชันทะสมาธิประธานะสังขารวิริยะสมาธิประธานะสังขารจิตต์ประธานะสมาธิประธานะสังขารและวิมังสาสมาธิประธานะสังขาร น, นะเป็นการทางานสังขารคือการปรุงแต่งจะปรุงแต่งโดยที่เรียกว่ามันเป็นงานของรูปก็เป็นสังขารนะสังขาร มหาพุทธรูปมันก็สังขารตัวมันแต่ไม่ไปเรียกว่าสังขารเพราะมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับนิยาตนิเจตเอเื้อกร น, นามธรรมานีกก่ก็เรีนามธรรมาหรือมันสังขารท่านเรียกว่าอนุ ป, ปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีนามไม่มีวิญญาณครองแต่เป็นชีวะท่านก็เรียกว่าสังขารหรือเป็นดินน้ำไฟลมมันก็สังขารมันไม่มีวิญญาณครองทั้งสิน้น ไม่มีวิญญาณอยู่ในตัวมันแต่มันมีพลังงานที่มันสังขารตรุงแต่งของมันเองอันนี้ก็อธิบายให้ละเอียดให้ฟังเท่านั้นเองแทรกไว้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะถึงนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องของาศาสนาพุทธเพราะาศาสนาพุทธนั้นสอนแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์สอนให้เรื่องทําเรื่องของทุกข์ให้ทุกข์ ห, กหมดไปจากชีวิตเท่านั้นเขายืนยันว่านี่นนเป็นคำสอนของพระเจา้า สอนเรื่องทุกข์เท่านั้นะไม่สอนเรื่องอื่นสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกขนะ์เพราะฉะนั้นหินดินปูนหรือแม้แต่ต้นหมากราก ไ, ม, ม, ไ ม, ม, กกาาม้มันไม่มีทุกข์ชีวะพวกผีชานิยามมันไม่มีทุกข์เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเพระพาะบูชาท่านสอนไม่ได้แม้แต่คนที่มีจิตอินทรีย์สัตว์เล้ยชางไม่ต้องพูดมันทําไม่ได้เหมือนกันมันเป็นเอาวิเนยสัตย์แท้ส่วนคนนั้นเป็นเอาวิเนยสัตย์ด้วยในคนที่สอนไม่ได้สอนให้บรรลุทุกข์ ให้บรรลุการดับทุกข์ไม่ได้สอนไม่ได้นะก็เป็นอวินัยสัจนะนี่พูดสัจธรรมนะี่ไม่ได้ไปว่าไปด่าใครนะคนเนี่ยเป็นอวินัยสัจนะเพราะเขาสัที่สอนได้ก็บรรลุได้เพราะงั้นผู้ที่มีอิิบาทอย่างอาตมา ก, กำลังพูดถึงตัวเองขออภัยทิ้เล่าถึงตัวเองมากขึ้นทุกวันนี้และอาตมา ก, ก็คงจะต้องแสดงตัวหรืออวดตัวอวดต้ววดตนมากขึ้นมากขึ้นต้องขออภัยไว้เรื่อยๆ มันจําเป็นที่จะต้องอวดเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องบอกตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตาดูจารยัสสอนว่าอันนี้เราเป็นเช่นนี้ใครมาว่าเราว่าเราไม่ได้เป็นเช่นนี้ก็บอกเขาว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้เราเป็นเช่นนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้บอกไปนนัในพระมชาราสูตรท่าพระพุทธเจ้าท่านตรไว้ชัดเจนนําไปอ่านดูสูตรแรกของปฏิปปดกเล่มเก้าสูตรที่หนึ่งเลย ไปอ่านดูทันยืนยันใครมาว่าเราตําหนิเราก็ดีชมเราก็ดีโดยเฉพาะตําหนิมาตําหนิแล้วเราต้องบอกเขาบอกว่าเราไม่ได้เป็นเช่น้นที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่เขาชมเราเราก็รับรองว่าเราเป็นฉะนั้นเช่นนี้เขาชมเราก็รับรองว่าเราเป็นเช่นนีไม่ต้องเหนียวไม่ต้องอายไม่ต้องเขิร์ น, นมันเป็นจริงก็บอกเขาไปมันไม่จริงก็แก้ไขแก้ความสับประเหตุนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ นี่เป็นคำสอนแบบศ า, าสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่พูดไม่ได้บอกว่าตัวเองดีก็ไม่ได้บอกตัวเองบรรลุธรรมก็ไม่ได้แล้วจะไปแปลคำเอาเองเลยนะว่าถ้าใครบอกว่าตนเองบรรลุธรรมคนนั้นแหละคือผู้ไม่บรรลุธรรมเอ้ยหยาตายตายตา ย, ตายหมดเลยพระพุทธพระพุทธาหันเจ้าที่ท่านบอกโดยเฉพาะตั้งแต่พระพุทธจเจ้าโดยเรานี่แหละเป็นสยามภูเรานี่แหละ เ, เ, เ, เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครเทียมเท่า ไม่มีฐานะอันเป็นฐานะที่ผู้ใดจะเทียมได้แม้ในกาลใกล้ๆนี้อะไรต่างๆโอ้โหท่านอวดตัวเองบอกตัวเองต่างๆนานาเลยแย่เลยนะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องอิทธิบาตรืออาหารสี่โอ้อาหารแปดโอไม่ใช่แปดอที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเราดีเจริญยานงยาว ได้8อ๋อนะก็คงจะพูดถึง8อ๋อครบค ร, บ ค, รบครันคันไม่ได้หรอกเวลาแต่น้อยนะเพราะว่าคงไม่เกิน2ทุ่มครึง่งนะเอาแค่2ทุ่มครึง่งก็แล้วกันกําไรท่านอื่นๆเพราะว่าแม้แต่ท่านเซงซีก็ยังของแค่40นาทีเนาะธรรมาก็เอามา ก, กว่าเยอะแล้วก็เอาล่ะคงไม่มีใครว่าหรือใครจะว่าเร็วว่าไหมขอสักถึงครึง่งครึง่งเสาร์ทุ่มครึง่ง ใครจะต่อรองไม่เอาจะต้องจบภายในในาทีนี้สองนาทีนี้ห้านาทีนี้เอาได้กินเวลานเนาะแปดออนี่มีอิทธิบาทเป็นตัวต้นที่อาตมาพยายามเรียบเรียงและก็ต้องปฏิบัติให้มีคุณลักษณะของแปดอนี้ด้วยจริงๆนะถ้าไม่มีมันก็ไม่ครบถ้าไม่มีมันก็ไม่สมบูรณ์ขึ้นด้วยอิทธิบาทลงท่ายด้วยอาชีพ อาชีพนะอาชีพนี่ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตคนอายุสัน้นหรือว่าไม่ไม่ไม่อยู่ยาวอยู่ยืนได้จริงๆแต่ถ้าแปลว่าอาชีพที่ดีที่ควรที่ถูกต้องแน่นอนอาจจะ ย, ยืนยาวนี่คือคําสุดท้ายของออสุดท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาขั้นต้นอธิบายเป็นคำหนึ่งอาตมาพูดผ่านอธิบายไปแล้ว ขยายความอิทธิบาทเป็นรายละเอียดละออก็คงจะยากตอนนี้ก็ขอสรุปว่าอิทธิบาทคือมันมีในตัวถ้าไม่มีเราต้องเพียรต้องประธานนะสังขารต้องพยายามสังขารแบบประปรุงแต่งหรือคนเรานี้ต้องพยายามทําเป็นการจัดแจงเป็นการลงมือกระทําเรียกว่าสังขารเป็นการจัดการเรียกว่าสังขารเราต้องจัดแจงการลงการกระทําการจัดการขึ้นมาน นี่นี่คือการสังขารนัร้นผู้ใดสังขารขึ้นมาได้จัดแจงหรือว่าทาการกระทาขึ้นให้มันขึ้นได้โดยเพียรโดยปทานให้เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิให้เป็นความเต็มของจิตสมาธิคือความเต็มของจิตความเต็มของจิตแล้วมันตั้งอยู่ ท่านแปลเป็นภาษาไทยอีกอันวน่าเป็นความตั้งมั่นหรือตั้งอยู่ที่แข็งแรงตั้งมั่นเนี่ยคือตั้งอยู่ที่แข็งแรงเป็นการตั้งอยู่อย่างแข็งแรงนะไม่มีอะไรมาสั่นคลอนไม่มีอะไรมาเคลื่อนให้เปลี่ยนให้เป็นเป็ น, ป น, ปนความแข็งแรงเป็นตัวของตัวเองเลยเรียกว่าสมาธินะเพราะผู้ใดมีฉันทะมีความพอใจยินดียักรัตมานี่มีชันทะสมาธิประธานสังขาร การทํางานหรือสังขารอยู่ทุกปฏิธรรมอยู่เนี่ยอาตมาก็ทําด้วยใจอย่างที่เรียกว่ามีสมาธิมีความตั้งมั่นอย่างแข็งแรงแล้วมีความยินดีฉันก็ยินดีอาจจะเห็นได้ว่าอาตมาไม่มีความเหนื่อยหน่ายในการทํางานทางธรรมไม่มีการเหนื่อยหน่ายพยายามไม่ไม่ไม่มีอาการนี่อาตมาว่าอาตมาเรียนธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ย อาตมาอ่านจิตเป็นรู้จิตของ อ, ตอาตมารู้ได้อย่างทีขอใช้คาแค่นี้ก็แล้วกันรู้ได้อย่างทีอ่านได้อย่างทียังต่อเนื่องกันอย่างรเร็วๆได้มันจึงรู้จิตของตนเองได้ต่อเนื่องกันได้มากจะมากแค่ไหนก็เท่าที่อาตมามีจริงอะอาตมาบอกไม่ได้มันมากแค่ไหนจะบอกได้ยังไงมันความเร็วของจิต ความเลวของจิตของแครของมันพระะอัตมาก็จะรู้อาการของจิตอารมณ์ของจิตของกัตมาเกิดต่อเนื่องมาอย่างไรอย่างไรมีอะไรขั้นไม่ขั้นอะไรก็เรียนมาตามพระเจ้าสอนนี่ขออภัยนี่ก็ต้องอวดอุตริอันนี้เป็นอุตตริมรุษธรรมนะเปนการอวดสมาธิอวดฌานอวดจิตที่จิตเป็นคุณลักษณะของอิทธินี่เป็นอิทธินะเป็นความเก่งก็าสามารถอย่างเป็นดึกเป็นแรงเลยนะ มีชั้นทะาที่เป็นแรงมีวิริยะมีความเพียรที่เป็นแรงเป็นอิทธิมีจติตตะมีใจใจเอาใจใส่ถ้าแปลจิตตะจิตที่เป็นจิตธิบาตเนี่ยท่านแปลว่าเป็นอิทธิบาทที่เอาใจใส่ถ้าแปลจิตตะนี่คานี้ว่าเอาใจใส่ฉันทะคือความยินดีวิริยะคือความเพียรจิตตะคือความเอาใจใส่แต่จะมาแปลจิตตะ ในอิทธิบาทนี่ว่ามีใจเท่าไหร่โถมเข้าไปให้เต็มนี่คือคำแปลของอมตมาเข า, เาไปใส่มันเบาๆเพราะนั้นก็ใส่เยอะๆแยอะอมตมาบอกไม่พอมีใจเท่าไหร่โถมเขาใส่ให้เขาไปให้เต็มๆเรียกว่าจิตที่มีอิทธิบาทมีความเพียรใส่จิตเข้าไปมากๆตั้งใจเอาจิตเขาไปร่วมทำให้เต็มๆนิมังสาคือการมีปัญญา อาตมาแปลว่ามีแต่เนื้อเนื้อมังสะมังสาแปลว่าเนื้อวินแปลว่ายิ่งแปลว่าวิเศษเพราะฉะนั้นไอ้จะไม่ใช่เนื้อวิแปลว่าไม่ด้วยมังสะไอที่ไม่ใช่เนื้อไม่มีมีแต่เนื้อเนื้อวิมังสานี่เนื้ออย่างวิเศษด้วยมีเนื้อยังเป็นเนื้อแท้ถ้าเป็นธรรมะ ก, ก็เป็นเนื้อธรรม เป็นเนื้อของโลกรัฐธรรมด้วยภาษาไทยนะนี่ภาษาไทยนะฟังนีดีไม่ได้โมอมีนะอาตมาว่านี่้อาตมาไม่ได้พูดมอมนะเป็นเนื้อของสัจธรรมเลยเดียวมีเป็นต้นวิมังสาก่อนจะเป็นวิมังสาคุณต้องภาคเพียรต้องปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบไตรตรองเลือกเฟ้นเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเนื้อี่คือคำว่าวิมังสาต้องมีการเลือกเฟ้นไตรตรองตรวจสอบไม่ใช่เนื้อ ไม่ใช่คุณก็ต้องทําใหม่ให้มันเป็นเนื้อเมื่อเป็นเนื้อดึงถึงเอายังไม่ใช่เนื้อท่องทําให้เป็นเนื้อเนื้อยังไม่แท้เนื้อยังเน่าเนื้อยังเสียเนื้อยังไม่ดีอยู่เอาให้เนื้อดีๆนี่มีบังสาแปลอย่างโพธิรักแปลอย่างโพธิรักเอาเถอะใครจะนักบาลีนักอะไรจะว่าไปก็ขออภัยอาตมาขอแปลเอาสภาวะมาแปลสรุปแล้วอิธิบาทนี้ โดยความหมายของกว้าก็คือคุณต้องภาคเพียนต้องเอาจริงเอาจังต้องมีความเพียนต้องมีเอาใจใส่ให้เต็มที่ต้องเอาเ น, อเนื้อให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องมีความยินดีถ้าไม่มีความยินดีทำในอะไรก็แล้วแต่ป่ยการโดยเฉพาะยิ่งเอาธรรมะหรือจะทำให้ชีวิตร่างกายอายุยาวแข็งแรงยาวยืนไปต่อคุณต้องมีจริง ถ้าคุณไม่มีไม่ได้ทีนี้คนที่จะสามารถทําให้เกิดอิธิบาได้เขาผ่านตัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวอิธิบาทไปก่อนจากอิธิบาทก็อารมณ์ออด อ, อ, ก อ, อกีสองคนที่จะทําอารมณ์ได้ต้องมีโพชฌงส์สำเร็จในโพชฌงส์โพชฌงส์แปลว่าองค์การตรัส ร, ร, รู้องค์การบรรลุธรรมนั่นเองจะพูดให้ชัดตรัสรู้นี่คือการบรรลุธรรม คำว่าตัดสรุนนี่คือรู้แจ้งรู้จริงรู้ของจริงรู้ผลตัดสรุนนี่คือรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วก็บรรลุมรักผลบรรลุผลนี่คือรู้ตัวผลเลยรู้มรักถูกต้องและก็รู้ผลสำเร็จด้วยเรียกว่าตัดสรุ้ตามพระพุทธเจ้าสอนมีมรักมีผลและก็ทำมรักถูกเป็นสมามรักและก็มีสมาผลจบสุดจนกระทั่งหมดสิ้นกิจไม่ต้องปฏิบัติอีกนั่นก็รู้ว่าเราหมดกิจเราสิ้นกิจแล้วไปกิจเป็นกัตถยาน ญาณสมบูรณ์ก็คือรู้รู้ว่าเราเสร็จแล้วจบแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วเป็นกัตจายานอย่างนี้เป็นต้นคือตัวรู้ทางนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้จะรู้อารมณ์ตนจะต้องมีโพธิมีองค์แห่งความตรัสรู้รู้ว่าสติเราเนี่ยเป็นอย่างไรเต็มอย่างไรตรัสรู้อย่างไร เ, เพราะฉะนั้นคนที่มีสติขั้นตรัสรู้หือขั้นโพชฌงก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สติ ปฏิบัติฝึกฝนไปจนกระทั่งสติเป็นอารานสติสมบูรณ์ก็เรียกว่าโพธิสมบูรณ์โพธิญาณสมบูรณ์สติธรรมวิจัยก็ต้องมีธรรมวิจัยวิจัยได้ในธรรมะวิจัยทำได้โอโหละเอียดละออโดยเฉพาะนา ม, มาธรรมวิจัยเวทนาในเวทนาเป็นตน้น จนกระทั่งรู้เคหสิตาเวทนานุเบคาเวทนาและก็รู้จักสภาวะของอุเบคาที่เป็นฐานานิพานเป็นเนกขมัสิตาอุเบคาจนบริบูรณ์จนกระทั่งถึงเวทนาในกาละสามทุกปัจจุบันเวทนาที่เกิดศ0นศูนย์สังสมเป็นอดีตจนเป็นสมาธติตั้งมั่นแข็งแรงจนกระทั่งเป็นแก่นเป็นแกนที่คุณจะรู้เองว่าโอ้ไม่มีเปลี่ย น, ปนแปลงละ ยังไงยังไงก็เที่ยงแท้แน่นอนทุกปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติเกิดผลจนกระทั่งคำนวณอนาคตได้ว่าต้องศูนย์ไม่มีผิดเพี้ยนอดีตกับอนาคตศูนย์เพราะได้ผ่านการพิสูจน์จากปัจจุบันมานับไปทวนไม่ใช่ว่านึกเอาสรุป ง, ง, ง่ายๆไม่ใช่ต้องมีของจริงเพราะฉะนั้น พระอาหารหันต์ท่านจะไม่สรุปตัวเองง่ายๆเพราะท่านมีภูมิธรรมจริงๆถ้านไม่ประมาทจริงๆถ้าไม่หลงตัวจริงๆจึงจะเป็นอาหารหันต์ถ้าใครหลงตัวสรุปตัวง่ายๆไปจบเป็นอาหารหันต์แล้วนี่แหละแต่ลหกขเมนสักเวลาหรอกจริงๆเพราะงั้นท่านจะมีจริงเนือปัญญาท่านจะรู้ว่าโอ้จะเป็นประมาททาไมปัญญาที่สูงจริงถึงอนาคามีว่าจะเป็นอาหารหันต์ มันไม่มีประมาทหรอกถ้ามีประมาทก็จะไม่ใช่อัลลัฮันใช่าจะเป็นอัหัฮันได้ไงประมาทเด๋ยวก็เป็นกิ่งกือตกท่อเท่านั้นเองกิ่งกือขามันเยอะเลยโอ้โหขามันเป็นจะเป็นหนึ่งแสนขาขนาดมีขาขนาดนั้นยังตกท่อได้เลยนะเพราะงั้นจะเป็นสีข่ขาโยนุพลาดนักปราชญ์โยู้พลังนี่กิ่งกือตั้งแสนตั้งหมื่นแสนขา ต้งตกท่อได้วันอาราหันต์นั้นจะไม่ทำให้ตกท่อหรอกทันยังกว่ากินกือแน่นะเอาเดี๋ยวยาวไม่หมดโออีกสนาทีเจ้าพคุณนะอา้าวเร็วๆอารมณ์นี้ต้องมีโพธชงเจตสมบูรณ์ข้อสรุปเลยไว้วจะอธิบายทำไมโพธชงเจตจึงทำให้คนอายุยาวยืนสำคัญสำคัญ เพราะฉะนั้นจะต้องขยายความสักวันหนึ่งในอารมณ์ที่มีโพ่อจงเจ็เนี่ยมันทำไมมันจะหมายไปถึงสมอายุยืนยาวได้นะเอาขอผ่านก่อนกันแล้วกันวันนี้นอกนั้นคุณจะต้องเพียนอาหารโดยเฉพาะกาวลินกะลาหารอาหารที่กินเข้าไปในร่างกายหรือเครื่องอาศัยต่างๆอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้ซส้เป็นพิษเป็นภยัยก็เป็นเป็นสิ่งที่พาอายุสั้นได้ ควใช้ไม่ใส่ก็ตามมีพิษมีภัยเป็นจริงโดยเฉพาะอาหารในเดียวนี่มอมเมากันเป็นเป็นเรื่องที่ทำให้อายุสั้นเจะแล้วหลงเข้าใจผิดกันโอ้โหมันอร่อยมันรู้รามันสวยงามมันอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนะ่านะนะสารพัดใสยดูปรดกินเสียงสัมปัดโอ้ยยำชานะก็ต้องเรียนรู้เพราะฉะั้นเราต้องรู้สาระของอาหารอย่างแท้จริง และคุณจะต้องไม่ติดในรสอาหารไม่จริงจริงจนกระทั่งคุณกินอาหารไม่ใช่อร่อยไม่ไม่มีอาการอร่อยกินก็รู้แต่รสจริงกินก็รู้แต่แตรสจริงไม่มีอร่อยอร่อยเผ็ดก็รู้เผ็ดฝืนกว่าขมก็รู้ขมผืนฝืนกว่าที่มันไม่ขม หวานก็รู้หวานหวานมากๆฟื้นเพราะรถอะไรจัดจ้านรู้หมดเราก็ต้องพอดีพอดีพอเป็นไปได้รู้ว่าเพ อ, อนี่เรายังชอบถ้าหวานนิดหน่อยหวานนิดหน่อยชอบ <_ Azure> เผ็ดทินิดตอนนี้ชอบเปรีย้ยวตอนนี้ชอบอะไรเยอะเราจะอ่านอาการอารมณ์อันละเอียดพวกนี้ออกอาอาการอารมณ์พวกนี้ออกอัตมาจะอธิบายอาจจะพรุ่งนี้มรรพงศนี้ไม่ได้ออก พงนี้วันอังคารใช่ไหมฮะออกสิเนอะอัตมาจะต้องบรรยายพวกนี้เออจะอธิบายบ้างอธิบายลักษณะที่เอร่อยนี่แหละคนที่ไม่คนยังมีอร่อยอยู่ยังมีอัตตาจะได้อธิบายอัตตาให้ฟังคือคนที่เขาเถียงอัตมาเนี่แย่งอัตมาอยู่นี่เขาว่าเขาเก่งอัตตาไม่ใช่อัตตา เสรแล้วเขาก็แสดงความเป็นอัตตาอาตมาจะย้อนถามเขาคุณรู้จักรสอร่อยไหมคุณกินอาหารถ้าคุณยังอร่อยอยู่คุณยังมีอัตตาคุณจะมาปฏิเสธคํานี้อาตมาไม่มีอัตตาเพราะอาตมาไม่มีอร่อยวัตถุที่มนุษยมทำเลยคุณไม่มีอัตตาคุณก็ไม่มีอร่อยมีแต่รู้รสรสแห่งความจริงตามความเป็นจริงรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานรสฝืนรสใดมันก็รสของธรรมชาติของมันอ อะไรมันยากหน่อยมันฝืดหน่อยมันเผ็ดมันโอ้โหยิ่เผ็ดเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้เลยอาตมาสังขารร่างกายก็ไม่รับด้วยไอทันทีเลยซัดออกมานทยกระเทียมอาตมาแต่ก่อนนี้พยายามกินเพราะมันเป็นธาตุที่มีประโยชน์เยอะอยู่เหมือนกัน อ, อย่างนายก อ, อินเดียในใครนะชื่ออะไรที่กินกระเทียมกับเหยี่ยวอ่ะฮะ ไม่ใช่ในรูปเดซายเออเดซายนั่นแกก็กินกระเทียมจนจนชิจนชิน้นชีวิตแล้วก็บอกบอกกระเทียมมีคุณค่าแล้วก็หลายคนก็รู้กระเทียมมีมีคุณค่ามีคุณทางประโยชน์ทางอะไรสังขารร่างกายพอสมควรแต่มันเผ็ดนะ่ะแกกระเทียมเผ็ดเนี่ยแล้วมันมีเผ็ดยังไงไม่รู้อัตมาพยายามกินชิ้นเล็กๆ ก, ก็ไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยกระเทียมไอ้ทันทีเลย อนะสังขาดมันไม่รับนะั ท, ทั้งที่ถ้าจะพูดจริงๆนะต้องการหรืออยากแต่ไม่ได้อยากเพราะอยากชอบนะแต่ต้องการจะกินบ้างให้เอาให้มันมันช่วยทั้งสังขารร่ า, างกายต้องการจะกินบ้างไม่ใช่อยากเพราะติดรถเพราะติดกลิ่งติดอะไรไม่ใช่นะแต่กินไม่ได้เนะอ้าเดี๋ยวหมดหมดเวลาแน่นอนนะ มันก็อเอาอีกออที่ไม่ได้พูดถึงก็แล้วกันจากอาหารอากาศก็ต้องสะอาดจะ ต, ต้องมีอากาศอะไปขยายความแล้วอากาศออกกําลังกายก็ต้องมีความเพียรต้องเพียร น, นะต้องถ้ามันมันฝืนก็ต้องฝืนพอสมควรแต่เมื่อมันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันจะไม่ฝืนมากฝืนมาเราฝืนยากหรอก ทำนอกจากไม่มีเวลาอย่างอาตมาเนี่มีเวลาไม่ได้ฟื้นเลยเอาอาตมาออกกำลังกายก็ไม่ได้ฟื้นแล้วไม่เคยฟื้นเฟื่อนนั่นแหลเป็นแต่เพียงว่ามันเบียดเบียนเวลาไปทํางานงานมันไม่ทันงานไม่ครบมันก็อไม่ต้องออกมั่งอะไรมั่งไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้อะไรหรอกเรารูอยู่ว่าอาการขี้เกียจของจิตเป็นอย่างไรกิริยาของจิตขี้เกียจมันคืออะไร คุณจะเข้าใจนะกริยาขี้เกียจของจิตคุณทุก อ, อ่านเป็นถ้าไม่งั้นคุณไม่รู้ว่าคุณหมดขี้เกียจหรือยังจริงๆนะคุณจะต้องรู้นี่คือลักษณะของจิตเจตสิกต่างๆซึ่งมันละเอียดละออมากอาตมาสงสา ร, รสงสารคุณข้อไฟเปิดเปิดกัแล้วกันคุณแปดเจนี่ว่ามาโอ้สงสารที่แกเอแกลยอ้อนอาตมาย้อนนี่ย้อนมาอีกล้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาจะออกมาอ่านให้ฟังอาตมาจะใช้เหตุปัจจัยประเด็นนี้แกพูดนี่แหละ อธิบายขยายความนะเพราะเป็นประเด็นไม่มีอะไรหรอกขยายความจากอัตตาทั้งนั้นแหละด้แกก็ไม่รู้จักอัตตานะเอาต่อจากออกกำลังกายก็เอ็นกายเอนกายนี่เอาภาษามาใช้เอาอ่อทั้นั้นเองคือไม้กความรู้จักพักรู้จักเพียรเองนกายคือรู้จักพักรู้จักเพียนเอนกายเอาํำนวนเอาภาษามาใช้อ่อ เอนกายเคยรู้จักเอ็นกายรู้จักพักมัางรู้จักเพียนบ้างนะรู้จักพักมัางอย่าไปหลงงานหลงการหลงเจอก็ทั้งไม่เพียนอ่าโอไปไม่พักรู้จักพักมัางไอ้เจ็บป่วยหรือเป็นนุ่มเป็นนี่ก็แนนอนอยู่แล้วแม่แต่รู้จักพักรู้จักนอนมั่งนะก็ต้องเข้าใจอย่างอาตมานี่ถูกบังคับไม่นอนยุ่บ่อยเลยอาตมาก็บอกอน่พอเข้าใจนะอาตมาว่ามันไม่มีปัญหานะอาตมารู้จัก วันหนึ่งกระตุกกรพักให้พอทั้งขารร่างกายอะไรแค่ไหน ก, ก็พยายามทําให้มันสมดุลอยู่นะไม่ได้ดื้อด่านดืดึงอะไรก็รู้เข้าใจเองกายหรือว่าต้องพักต้องนอนต้องเพียรนั่นแหะต้องเพียรนอนไม่อยากเพียรเพียรไมต่ต้องพยายามมันมีเพียรจะมากใกรก็ว่าไปนะซึ่งเขาก็มองว่าจะมากเกินเกินเกินเพียรเกินด้วยเพียรเกิน อาตมาก็เอานาะอาตมาก็พยายามให้มันพอดีอยู่นะนะนอนก็วันหนึ่งหลายชั่วโมงอยู่หกเจ็ดแปดชั่วโมงบางทีเก้าชั่วโมงยังเคยนอนเลยแต่นะเอาอายุมากเขาให้นอนมากหน่อยนะมันจะกลับไปเหมือนเด็กไงเด็กต้องนอนมากคนอายุมากคนไม่นอนมากนะแต่ถ้าปรับได้อีกนอนได้น้อยลงได้อีกเหมือนกันนะอันนี้ซับซอ้อนอาตมาก็ขอผ่านออกกำลังกายเอ็นกาย เอาพิษออกตำนี้กำลังหิตเอาพิษต่างๆนานาเงื้อออกนี่ก็เอาพิษออกแล้วมีวิธีเยอะแยอัตมาไม่พูดนะมีวิธีเดียวนี้คนที่รู้การเอาพิษออกมากมายกายกองเปลี่ยนแปลงถ่ายเทยอะไรต่างๆนานาได้ทั้งนั้นนะและสุดท้ายอาชีพนี่แปดออกนะแปดออกถ้าตั้งใจแล้วก็ศึกษาพวกนี้แล้วทำให้สมดุล น, นะ อาตมาว่าเราจะยืนยันพิสูจน์ได้เลยว่าชีวิตขเราในอายุยาวยืนกว่าปกติสามารถที่จะทําให้อายุไขต่อไปได้ต่ออายุไขที่มันจะหมดขันแล้วมันจะหมดอายุไขแล้วจะต้องตายแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงอาตมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์กับรองนะ แม่อัตมาเองอัตมาพูดคนก็คงจะเข้าใจฟังได้เข้าใจแต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้่นะอัตมาว่าอัตมาในรู้ว่าอายุขอายุขของอัตมาเจ็ดบสองนี่เป็นต้นแต่ก็พูดก่อนนะพูดก่อนโดยวก็ตั้งอัตมาก็บอกว่าเอออัตมาคงจะไม่เอาล้อายุเจ็ิบสองมันไม่พอก็ตั้งใจก่อนจะถึงเจิบสองอัตมาจะต้องผ่านจะต้องทําให้ผ่านให้ได้เสร็จแล้วอัตมาก็พยายามพรม ภาคเพียนมาจงกระทำมันก็เลยเจ็ดสิบสองมาจุบป่า น, นี้อาตมาก็รู้สึกว่าอาตมามันรู้สึกดีขึ้นน ะ, ะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นก็ไม่รู้แหละมันอะไรส่วนท้องร่างกายในส่วนนอกเนี่ยมันเหี่ยวมันอะไรแต่ส่วนในอาตมาจิตใจมันมันหนุ่มขึ้นจริงๆริงอาตมาบอกไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงหนุ่มขึ้นบอกไม่ได้ แต่ไม่ได้หนุ่มขึ้นอย่างมีฮอร์โมนกามนะไม่ใช่หนุ่มขึ้นอย่างมีฮอร์โมนกามอ่ก็มันมีรายละเอียดเอาละมันมีไม่บอกไม่หวัดไม่ไว้นะไม่มีหบุบห ล, มลุมขึ้นแบบมีฮอร์โมนกามโลกโลกไม่ใช่อ่แต่มีความกปรี้กระเปรามีความฮะฮะอะไรนะ ท่งเนี่ยมีความหนุ่มแน่นท่าหังเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ได้นี่เป็นเรื่องของที่อาตมาอยากจะให้พวกเราเนี away, ่ยภาคเพียรพิสูจน์เราจะได้ยืนยันทฤษฎีใหม่มันไม่ใหม่หรอกของพระพุทธเจ้าเก่าของพระพุทธเจ้านี่มันมีคำว่าเก่าว่าใหม่โบราณแต่ใหม่เสมอ โบราณในนาวทั์ของพระเจ้าไม่มีหมาะไม่มีเก่าเลยนะทันสมัยจริงๆยิ่งทุกวันนี้การเมืองของพระเจ้าก็ทันสมัยเศรษฐกิจของพระเจ้ากับทันสมัยสังคมองของพระเจ้าก็ทันสมัยอย่างช่างคมสังคมชาวเราชาวอาโศกนี่ทันสมัยล้ําสมัยเขาจะตามชาวอาโศกนี่ได้อีกนานอีกนานหลายกลุ่มเลยจะตามอีกแบบอโศกนี่ได้อีกนาน พ่อภัยมันชักจะคุยตัวใหญ่มากไปแล้วนะเอาละสรุปจบนะสรุปจบดีกว่าว่าถึงอย่างไรก็ตามนะในพิธีการหรือในสิ่งที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์เราเข้าพรรษาเราก็จะต้องตั้งใจนะตั้งใจศึกษาจะมีสมณะมีผู้รู้มีอะไรมารวมกันอยู่กับที่ไม่ จรไปจอนมาอะไรสัตสายเพราะฉะนั้นผู้ใดตั้งใจมาก็เอาเวลามาชุมนุมเข้ามารวมมาสนใจมาตั้งใจพวกเราก็ขอให้ตั้งใจพัฒนาส อ, อนกันบรรยายกันบอกกันเอาใจใส่กันช่วยเหลือกเกื้อกูลกันในสามเดือนนี้ตั้งใจดีๆจะได้เห็นผลจะได้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะ เพราะโอกาสเป็นวินัยเป็นวิธีการเป็นจารีตประเพณีของผู้จ้าก็ตามซึ่งมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อ้าวเอาระสลบับนันี้อาตมา ก, ก็เลยเวลาเข้าไปร้ายนาทีเบรกอัตมาไม่ดีจริงๆก็ต้องขออาภายัยเจริญธรรมทุกคน